ครั้งนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งยืนอยู่ณภูเขาคิจฉกูดซึ่งมียอดจดหมู่ทานน้ําเย็นสนิทมียอดอบอวนไปด้วยดอกไม้ของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมหนานาชนิดมียอดวิจิตรงามอย่างยิ่งก็สมัยสมัยเมื่อพุทธกาลเนี่ยนะภูเขาคิชฉกูดเนี่ยเป็นภูเขาที่มีต้นไม้งดงามแต่ตอนนี้เนี่ยหาร่มเงายากนะเขบอกว่ า, วา รัฐพิหารเนี่ยมันเป็นรัฐเหมือนรัฐที่ถูกสาบภูเขาทุกภูเขามีแต่ภูเขาหินภูเขาหินปนดินทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีต้นไม้ต้นโตๆด้วยมันเหมือนถูกสาบยังไงไม่รู้แต่ก็บางท่านเขบอกว่ารือสีสาบเอาไว้ว่ารัฐนี้ก็จะเป็นรัฐที่ไม่มีต้นไม้นะไม่ไม่มีต้นไม้บนภูเขาแต่ก็ไปจริงๆนะนั่งรถผ่านลูกไหนก็ลูกนั้นเหมือนกันหมดก็คือมันมีแต่อะไรมีแต่ต้นต้นต้นไม้ล้มลุกซะส่วนใหญ่จะหาต้นไม้ยืนต้นเนี่ยยาก เรือไม้ก็ถูกตัดไปเกลียบหมดนะแต่ว่าสมัยพุทธกาลนั้นถือว่ามีสายน้ำไหลเย็นเนี่ยนะเย็นแล้วก็มีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนาน า, นานชนิดงดงามอย่างวิจิตรตอนที่พระสารีบุตรอยู่ที่ภูเขาคิดฉกูดเนี่ยนะแลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าอันมูเทวดาและพรหมซึ่งมาจากหมื่นจักรวาลแวดล้อมซึ่งเสด็จจงกรมอยู่ณที่จงกรม รัตนะหรือรัตนะจงกลมเนี่ยนะด้วยพระพุทธสิริอันยอดเยี่ยมด้วยพระพุทธลีลาอันหาที่เปรียบไม่ได้ก็เห็นจากที่ไกลนะแต่พภาษารีบุตรมีทั้งตาทิพด้วยหรือถึงตาเนื้อนะด้วยพุทธานุภาพภาษารีบุตรก็มองเห็นมองเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเดินบนรัตนะจงกลมเดินกลับไปกลับมาเทวดาในหมื่นจักรวาลบูชาเนี่ยนะมวลพระญาติทั้งหลายที่เป็นมนุษย์หรือมวลมนุษย์ในเมืองกบิลพัฒน์เป็นต้นก็ เฝ้ารับเสด็จมากมายเนี่ยนะเห็นทั้งเทวดาพากันทาพุทธบูชาก็เลยคิดว่าเอาเถิดจำเราจักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอพระพุทธวงศเทศนาอันแสดงพระพุทธคุณก็คือจะไปถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์เล่าถึงวงของพระองค์ว่าพระองค์มีข้อวัดปฏิบัติประพฤติมาอย่างไรประสบพบเห็นผู้ใดมาบ้างจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐ เป็นที่นอบน้อมบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นจักรวาลเนี่ยนะก็เลยเรียกประชุมภิกษุ5้าร้อรูปซึ่งอยู่กับตนเพราะฉะนั้นพระสังขีติกาจาจางก็เลยกล่าวว่าท่านถ้รรมเสนาบดีสารีบุตรจึงประชุมภิกษุห้าร้อยรูป5้าร้อรูปนั้นล้วนแต่เป็นผ้ารหันเนี่ยนะดูจากอะไรทำกิจเสร็จแล้วทำกิจเสร็จแล้วผู้คงที่สิ้นอาสวะแล้วปราศจากมลทินเรียกประชุมผ้าลหันเลย อธิบายว่าปัญจันนังพิกขูสตานังก็คือพิษูจน0ห้าร้อยรูปห้าร้อรูปนั้นกะตะกิตจานังคือผู้มีกิจอันทรรมเสร็จแล้วกิจในที่นี้คืออะไรก็คือผู้จบโสรสกิจแล้วกิจ16กหนะกิจ16ก็คือกิจในอริยสัจสีนั่นเองทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญ ขณะโสดาปฏิมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกทำกิจละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งทำกิจเจริญโสดาปฏิมักขณะสกะทาคามิมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักขณะอนาคามีมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็เจริญอริยมักขณะอรหัตตมักเกิดขึ้นก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกละสมุทัย ทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคพันอริยมรรคสี่ทำกิจในอริยศาสสี่ก็เลยเรียกว่าสิบหกสี่คูณสี่เท่ากับสิบเนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่ทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าเป็นผู้จบกิจเนี่ยนะกะตะกิจจานังผู้จบโสรสกิจผู้ทํากิจสิบหกเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่ทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเรียกว่าพระอเศคะผู้มีการศึกษาอันจบสิ้นแล้วสําเร็จแล้ว ถ้าเป็นพระโสดาบันกาลังกําหนดรู้ทุกขละสมุทยัยพวกนี้เรียกว่าเป็นพระเสขะบุคคลล่างๆ ล, ล, ลงมาโดยมากก็เรียกว่าเนวะเสขานาเสขะจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่เชิงก็ว่างั้นก็เอาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรไปเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเนวะเสขานาเสขะว่างั้นถ้าอรหันเหล่านั้น500รูปขีนาสวานังก็คือผู้สิ้นอาสวะสนะีเนี่ยนะพันกิจในอริยสัจเนี่ยนะกิจในอริยสัจเนี่ย เป็นกิจที่กาจัดอาสวะทั้งหลายเช่นว่าโสดาปฏิมักทำกิจกําหนดรู้ทุกละสมุทไทยทำนิโรธให้แจ้งเจริญมักกาจัดทิฏฐาสวะออกไปสกัตาคามิมักเนี่ย asion, ะทท น, น ะ, ยยกะกเกิดขึ้นกําหนดรู้ทุกละสมุทไทยทำนิโรธให้แจ้งกําจัดกามาสวะอย่างหยาบออกไปเนี่ยนะอนาคามีมักเกิดขึ้นอนาคามีมักเกิดขึ้นกําหนดรู้ทุกละสมุทไทยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมักําจัด การ ม, มาสะวะออกไปอรหัตตมักเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำพระนิพพานให้แจ้งเจริญมักขณะนั้นก็กำจัดภวาสะวะและอวิชชาสะวะออกไปบัดเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าขีณาสะวะผู้สิ้นอาสะวะสี่แล้วเพราะทำกิจในอริยศัสต ร, ร์เสร็จวิมลาหนังวิมลวิมเนี่ยตัวทั่วไปก็เป็นคำว่าดอกบัวนะวิมลก็คือวิมละแปลว่าไร้มนทินเนี่ยนะผู้ปราศจากมนทินมนทินแปลว่าความ เศร้าหมองดอกบัวถือว่าไม่เศร้ามองเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเป็นต้นฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ผู้ปราศจากมนทินคือความเศร้าหมองฉันนั้นพระองค์ไม่มีความเศร้าหมองทางกายไม่มีคำพูดที่เศร้าหมองแล้วก็ไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองกําจัดความเศร้ามองเหล่านี้ออกไปแล้วเพราะมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธ ท่านใช้คําว่าจิตตาสันดานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งแปลว่ากระแสแห่งความคิดของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนค่ําตอนกลางคืนตอนปฐมยามมัชชิมยามปัชฉิมยามเวลาใดกระแสแห่งความคิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลั่งไหลไปด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองคือราคะปราศจากความเศร้าหมองคือโทสะปราศจากความเศร้าหมองคือ โมหะไม่มีการมาสะวะชาบทาภวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะรูปไล่อยู่เลยกลายเป็นจิตตสันดานที่บริสุทธิ์นั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ทั้งกลางวันบริสุทธิ์ทั้งกลางคืนเนี่ยนะตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็ตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ยจนดับขันปรินิพานปราศจากขันห้าโดยประการทั้งปวงนั้นพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะไม่มีอาสะวะไม่มีอากุศลธรรมเหล่าใด ที่จะยังใจของพระองค์ให้เศร้าหมองเนี่ยนะพร ะ, พระพุทองค์รอบรู้ในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองเสร็จแล้วก็เลยเลิกเศร้าหมองคนที่เศร้าหมองสมมติว่าอย่างใครที่คนที่สอบสอ บ, สอบเนี่ยนะวันไหนที่สอบและสอบไม่ได้ใจคุณมัวนะวันวนันวันไหนรู้ปะวันที่ไม่ได้ทําการบ้านเป็นต้นวันที่ทําอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ ย, ยวันนั้นนะเศร้าหมองที่สุดแต่ถ้าหากว่าคนที่เข้าใจอย่างดีกําหนดจดจําได้หมดเนี่ยนะถามว่าหนักใจไหม ไม่มีหนักใจฉันใดพระพุทธเจ้าขันห้าทุกชนิดโพรงรอบรู้เสร็จหมดแล้วเนี่ยนะเมื่อรอบรู้เสร็จหมดแล้วมีเรื่องอะไรจะทําให้พระงเศร้าหมองบ้างเนี่ยนะไม่มีไม่มีแ ม, ม้แต่นิดเดียวเพราะพระองคทำทำกิจเสร็จแล้วอะ่ะจะเอาเรื่องอะไรมาตําหนี่โพรงค์ก็ไม่ได้แล้วพระองค์ก็เข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างทะลุโ ป, ปรง่งมันชีวิตของพระองคดํารงอยู่เพื่อการช่วยเหลือสัตว์เท่านั้นเองเ น, นะ ก็พอประชุมเสร็จแล้วเพื่อแสดงเหตุในการประชุมและการตายของที่สุเหล่านั้นพระสังคีติกาจารก็เลยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ชีวโลกาปสาธนะแปลว่าปสาธนะเนี่ยนะโลกะก็คือทําโลกให้เลื่อมใสทําใจของสัตว์โลกให้ผ่องใสปสาธนะก็คือศรัทธาปสาธาก็คือจิตใจที่ผ่องใส พระองค์กําลังแสดงปาฏิหาริย์ให้สัตว์โลกมีใจผ่องใสแปลว่าแสดงปาฏิหาริย์ให้สัตว์โลกสบายใจนั่นเองเพรา ะ, ะนั้นภาษารีบุตรก็เลยกล่าวกับบริวารของท่านว่าแม้พวกเราก็ไปในที่นั้นไปเราจะไปถวายบังคมพระชินะพุทธเจ้ามาเถิดเราทั้งหมดจะพากันไปจักทูลถามพระพุทธชินเจ้าพบพระผู้นําโลกแล้วก็จักบรรเทาความสงสัยเสียได้เนี่ยนะ เราจะไปที่พุทธคยาเพื่อจะหายสงสัยเดนะี๋ยวนหายสงสัยหรือเปล่าถ้าไปถึงแล้วคาว่าโลกาภาษาทนังนามะเนี่ยนะปาฏิหาริย์ที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นการแสดงเปิดโลกเปิดโลกยังจิตของสัตว์โลกให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นอธิบายว่าปาฏิหาริย์นั้นท่านกล่าวว่าทํำยังไงปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทําให้โลกเลื่อมใสก็คืออธิฐานทำสัตว์ทั้งหมดเบื้องบนแต่อกนิถภพเนี่ยนะ ก็คืออวิหาะตปาสุทธาสาสุทธศาธ ศ, าธศาีกานิธาระดับสูงสุดก็คือพรหมโลกเนี่ยนะเบื้องต่ําอเวจีนรกก็มันดูมันประทุขึ้นมาไล่เป็นลาวาเนี่ยมันลึกๆ ล, ล, ลงไปขนาดนั้นจะมีอะไรอยู่บ้างนะใครเคยมุดไปดูบ้างไม่ทราบอย่าไปเลยนะแค่ว่าเดินผ่านๆภูเขาไฟนี่ก็เดือดร้อนแล้วนะไม่ต้องมุดลงไปลึกจะบอกโอ๊ยนรกไม่มีหรอกข้างล่างเอา้าเคยมุดไปดูแล้วหรือแตามุดไม่มีจริงยมายิ้มแป้เลยสมมติท่นนรกมันไม่มีจริงนะ อะไรจะดีขนาดนั้นทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุกใครทําชั่วใครปลอดภัยหมดขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยขอให้มันไม่มีจริงๆเธอแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะคุกตารางเขาไว้ใส่ใครแบบนั้นฉันใดขนาดในโลกนี้ยังมีคุกไว้ใส่คนเลวฉันใดแล้วนรกอ่ะเขาก็ไว้สําหรับใส่จิตชั่วๆเร็วๆนั่นแหละเขาบอกว่าพระองค์อธิฐานให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะระดับบนอากานิตะภพระดับต่ําอเวจีให้ เกิดแสงสว่างเป็นอันเดียวกันในระหว่างนี้ให้เห็นซึ่งกันและกันในระหว่างนี้นะจากข้างล่างข้างบนข้างบนข้างล่างมองเห็นทะลุไปหมดแต่ไม่ใช่ว่าสัตว์ทั้งโลกจะมองเห็นไปหมดไม่ใช่เฉพาะอนาบริเวณนั้น น, นนะอนาบริเวณสําหรับผู้มาประชุมเนี่ยผู้มาประชุมดูปาฏิหาริ์พระพุทธเจ้าเนี่ยจมแงนแค่ว่างแงนบนก็เห็นอกคนิทะพบก้มต่ําก็มองเห็นสัตว์นรกมันพวกสัตว์นรกก็มองเห็นขึ้นสูงไนดะ้อย่างนั้นนะ่ะ อันนี้โลกก็เลยเลื่อมใสว่าพระองค์นี่มีความความสามารถจริงๆเลยนะใครก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยได้ดีเลยใช่ไหมคนก็จะใสคะแนนเสียงให้พระองค์เหมือนกับเลือกผู้แทนเลือกนายกเป็นต้นใช่ไหมบอกไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นแค่ว่าแสวงหาตําแหน่งนายกสแสวงหาตําแหน่งเหล่าใดเพื่อเรียกร้องให้คนมาสนใจตัวแล้วให้คนยอมรับนับถือตัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอย่างนั้น พระองค์เนี่ยมีความสามารถอยู่ในตัวพิเศษอยู่แล้วแต่ที่แสดงเหล่านี้เพื่อยังศรัทธาของเหล่าสัตว์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนนะัศรัทธาที่ไม่รู้คุณพระพุทธก็จะรู้คุณพระพุทธศรัทธาที่ไม่เห็นมรรคผลก็จะเริ่มเข้าใจในมรรคผลเข้าใจในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเขามีศรัทธาเขาก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่เขายัง ไม่เข้าถึงเพื่อละสิ่งที่เขาสมควรแก่การละเขาก็มีสติและสัมปชัญญะมีการปฏิบัติตามอริยมรตช่วยตัวเขาเองให้พ้นไปจากทุกข์นั้นการที่สัตว์เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําให้พระองค์เจริญขึ้นหรือว่าต่ําลงอะไรเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ดีขึ้นหรือต่ําลงเพราะว่าคนนับถือหรือ ไม่นับถือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่พระองค์ทําอย่างนี้ให้สัตว์โลกเลื่อมสายเพราะว่านั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายบทก่อนนั้นบอกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายคือผู้คงที่เป็นผู้คงที่ทั้งอิทธารมณและอนิธารมณ์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยคงที่ทั้งอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถ้าบอกว่าคงที่ถึงขนาดว่ามองเห็นนรกกับมองเห็นพรหมเนี่ยนะท่านมองเห็นปกติคนเห็นสัตว์นรกเสียใจใช่ไหม มองเห็นพรหมโลกดีใจพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านคงที่ใจท่านไม่ผิดปกติด้วยโลภะเมื่อเห็นพรหมโลกหรือเกิดโทสะเมื่อเห็นสัตว์นรกเนี่ยนะท่านไม่มีโลภะและโทสะเลยเรียกว่าตาที่โนผู้คงที่คงที่ในลาบเสื่อมลาบคงที่ในยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญความสุขและความทุกข์ทั้งมวลเรับว่าเป็นคู่ที่ไม่ยุบลงและก็ไม่ฟูขึ้นตั้งมั่นดํารงมั่นไม่หวั่นไหวแต่ว่า ไม่ใช่แกล้งนะแกล้งทําเป็นเหมือนไม่สนใจทําเป็นเหมือนทาเป็นทาเป็นอ่ะนะทาเป็นเหมือนไอทเหมือนนี่มันก็ไม่ใช่ของแท้อยู่แล้วใช่โอ้ยซื้ออะไรมาเหมือนซื้อทองไงไปซื้อเม็ดอะไรมาเหมือนเพชรเลยเนี่ยนะ แต่ราคาเท่าเพชรเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นชั้นใดอันนี้ น, นี่ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ของแท้เลยพระ อ, องค์เนี่ยเป็นผู้ที่มั่นคงเนื่องจากมีศีลที่มั่นคงเนี่ยนะมั่นคงด้วยศีลสมาธิและปัญญาด้วยอนุภาพของปัญญานั่นแหละจึงมีความมั่นคงถ้าไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงพระ อ, องค์ไม่มีความมั่นคงอนุภาพของปัญญาทำให้เข้าถึงเป็นถึงภาวะแห่งผู้ที่มั่นคงผู้ที่มั่นคงอย่างนี้เนี่ยนะแสดงฤทธิ์ทั้งหลายเป็นต้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เหล่าสัตว์ท่านทาษาริบุตรเป็นต้นก็เลยกล่าวกับพระที่เป็นบริวารของท่านวันที่สามะเพวกเราจะถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวเนี่ยนะจะใช้หัวนี่แหละกลาราบพระองค์ว่างั้นไม่ใช่ใช้แต่แขนเอาก็บอกว่าถ้าคนแขกเนี่ยนะเขาเลื่อมใสามากเขาโอ้เอามือไปแตะเท้าเนี่ยแสดงว่าเขานับถือมากาก็ว่ายอมรับเลยว่างั้นนะไปถึงเอามือแตะเท้าเสร็จแล้วมาแตะหน้าผากตัวเองบ้างนะแต่ถ้าเป็นพระพิสูจน์ี่ก็เอาเท้าเนี่ยซุกลงที่ พระบาทของพระพุทธเจ้าหรื อ, อพรหมายุพรามเนี่ยบอกใช้ปากนจูบพระบาทพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นคือเคารพบูชากราบไหว้เขาเรียกว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทจริงๆเลยแหละเนี่ยนะใต้ฝ่าละองทุลีพระพุทธบาทจริงๆเรีว่าน้อมก้มกราบไหว้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าทำไมทำไมจึงต้องทําขนาดนั้น ก็เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ควรแก่การกราบการไหว้การชมการสรรเสริญการนบการน้อมการบูชาทุกอย่างเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์อีกแล้วมันเขบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นอรหันยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเป็นผู้ที่พระอรหันต์เคารพบูชาเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์มันพระสาริบุตรจึงชักชวนพระพิสุไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปก้มกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไปพบพระผู้นำโลกแล้วจักบรรเทาความสงสัยขึ้นมาได้พระอรหันยังสงสัยด้วยวิจิกิจฉานิวร์อยู่หรือเพราะจริงๆแล้วพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีความสงสัยด้วยวิจิกิจฉาแต่ทำไมจึงบอกว่าถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าเราไปพบพระพุทธเจ้าผู้นำโลกแล้วเราจะบรรเทาความสงสัยจากขจัดความเครือบแคลงออกไปทาไมจึงกล่าวอย่างนั้นตอบว่า อันนี้ไม่ใช่แบบสงสัยแบบนั้นเนี่ยนะไม่ใช่สงสัยในพระพุทธคุณในลักษณะด้วยอำนาจวิจิกิจฉานิวรณ์ที่เกิดร่วมกับโมหะแต่คำว่าสงสัยอย่างนี้เป็นถ้อยคำที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาปรารถนาที่จะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปภาษารียบด้นี่นะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ว่าปัญญาของท่านก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างดวงใหญ่หญแสงสว่างดวงใหญ่หญส่องเห็นทั้งโลกใช่ ไม่ทั้งโลกแต่ถามาดดูแสงสว่างอันนั้นมืดใช่ไหมบอกไม่มืดปัญญาของพระสารีบุตรก็ฉะนั้นปัญญาของท่านสว่างสวยแต่ก็สว่างในระดับท่านแต่ไม่สว่างพอที่จะส่องเห็นพุทธวงศ์ในอดีตเป็นต้นไปได้งั้นปัญญาของท่านไม่ได้สว่างพอที่จะรู้อดีตโดยประการทั้งปวงรู้อนาคตทั้งหมดสิ้นเชิงรอบรู้ในสัพพะยยธรรมทั้งหมดเช่นกับพระพุทธเจ้า ท่านสว่างอยู่ในตัวท่านมีปัญญาอยู่ในตัวตัวของท่านเองแต่ท่านไม่ได้มีความรู้ความสามารถแบบนั้นไล้ายอย่างสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าแสดงนะก็เหมือนกับว่าในโลกเนี่ยบางอย่างใช้แต่ไฟธรรมดาก็สองมองเห็นแล้วใช่ไหมแต่ลายอย่างต้องใช้ดวงอาทิตย์นะต้องดูตอนกลางวันกลางคืนจะมีไฟยังไงก็ดูไม่เห็นทั้งหมดจะต้องคอยดูตอนกลางวันจึงจะมองเห็นได้ฉันใดปัญญาภาษาริบุตรก็เหมือนกับ เรีว่าดวงไฟกลมๆดวงหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่เท่ากับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ทันลหลายๆอย่างต้องอาศัยแสงสว่างระดับดวงอาทิตย์จึงจะส่องเห็นฉันใดภาษารีบทก็ฉันนั้นแต่โดยปกตินั้นวิจิกิจชาถ้าเป็นวิจิกิจชาทั่วๆไปเนี่ยนะในม า, า, ม า, าติกามาติกาติกะมาติกาคัมภีรธรรมสังคิณิกข์ก็กล่าวว่า ทัเนนะปหาตัพะทำมมาภาวนายะปหาตพะทำมมาเนวทัศเนนะณภาวนายะปหาตัพาธำ ม, มาแปลว่าทำบางอย่างถูกละออกไปด้วยอํานาจของโสดาปฏิมักหรือทำที่โสดาปฏิมักเพึงประหารเขาบอกว่าใน รัตนาสูตรเนี่ยนะสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือแม้ศีลพัตตรปารมาศอันใดอันหนึ่งมีอยู่สังโยชตเหล่านั้นทั้งปวงเลยนะพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับ ก, บการเห็นอริยสัจทีเดียวพร้อมกับการเห็นอริยสัจนั่นแหละพระโสดาบันละสากายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตรปารมาศพระโสดาบันเห็นกองทุกขละสากายทิฏฐิเห็นสมุทัยละวิจิกิจฉาเห็นนิโรธเห็นอริยมรละ ศีละพัตตปรามาได้โดยสิ้นเชิงเพราะโสดาปติมักที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะละอะไรออกไปบ้างสกายทิทิวิจิกิจฉาศีละพัตตปรามาสกายทิฐิกับศีละพัตตปรามาถ้าโดยจิตตุบาทก็คือจิตตุบาทที่ประกอบกับทิฐิคตะสัมปยุทธสีดวงทิฐิคตะสัมปยุทธสีดวงคือโสมนาสาสหกะตัง ทิฏฐิสัมปยุตตังอสังขาริกังสสังขาริกังหรืออุเปขาสากตังทิฏฐิกขตะสัมปยุตตังอสังขาริกังหรือสสังขาริกังแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายๆก็บอกว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นบางครั้งมันดีใจบางครั้งมันเสียใจบางครั้งถูกคนอื่นกล่อมให้เกิดขึ้นบางครั้งคิดเองบางคนมันเก่งนะมันคิดจนเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เองบางคนต้องถูกเขากล่อมมานะบางคนเนี่ยทิฏฐิแบบดีใจบางคนก็ทิฏฐิแบบเสียใจถ้ามิจฉาทิฏฐินับหนึ่งก็คือมันคนมิจฉาทิฏฐิอ่ะ ทนี้ทิฐิเหล่านั้นถ้าจะเรียก2ก็ได้าบางครั้งเกิดกระดีใจบางครั้งก็เกิดกับเสียใจมันก็เป็น2อไอ้ดีใจมันก็บางคนก็คิดเองได้บางคนก็ถูกชักชวนอีกอย่างหนึ่งบางคนที่เฉยเฉยอุเบคาเกิดเองบ้างถูกชักชวนบ้างแตกออกไปมันก็เป็น4ี่จะเรียกให้มันเป็น8เป็น16เป็นร้อเป็น1้อยพันว่าได้ทั้งนั้ น, นอันนี้แต่ว่าเรียกแบบย่อๆสี่ดวงก็แล้วกันตามตามธรรมสังคีณีเท่านั้นเองแต่ถ้ามิจฉาทิฐิจะกระจายให้เยอะ ๆ, ๆ, ๆ หาที่สุดไม่ได้เพราะว่ามิจฉาทิฏฐินับนับหนึ่งก็อย่างคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดนับสองเกิดร่วมกับโสมนัสและอุเบกขาถ้านับสี่ก็เรียกว่าจิตตุบาทแบบสี่ประเภทถ้าจะนับสูงขึ้นไปกว่านั้นเช่นมิจฉาทิฏฐิหมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุอะไรมีเวบวัตถุสิบสกายทิฏฐิยี่สิบทิฏฐิหกสิบสองหรือว่าลัทธิสารพัดลัทธิเหล่านี้มันก็มี มากมายหาที่สุดไม่ได้แล้วรักที่เหล่านั้นมีรงรายละเอียดใช้ความคิดเปลืองขนาดไหนคิดดูมันที่ถิ่นจะนับให้มันเยอะกว่าเยอะแต่ตรงนี้นับให้ดูพอเป็นตัวอย่างสี่ดวงก็พอแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยนะวิจิกิจฉาก็นับหนึ่งดวง แต่วิจ yup ิกริชาถ้าจะนับเยอะๆมันก็เยอะนะเช่นสงสัยในพระพุทธก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระธรรมก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระสงฆ์ก็อย่างหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปุพพเจริยาคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระสรีระคุณก็อย่างหนึ่งสงสัยในพระพุทธคุณเป็นต้นก็อย่างหนึ่งไล่ให้มันเยอะมันก็เยอะนั่นแหละอัตตะขารรมสังคี่นี้ท่านบอกว่าพูดให้มันไม่จบมันก็ไม่จบฟังกัน คือแปลว่าให้มันไม่มีที่สุดมันก็ไม่มีที่สุดแต่นี้พอเรอาการตั้งมาเป็นดวงจิตเท่านั้นเท่านี้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาและคนคว้าสำหรับคนเริ่มต้นเท่านั้นเองนี้ย้อนกลับมาว่าในบรรดาจิตห้าดวงที่พระโสดาบันละออกไปอะไรบ้างทิฏฐิกตสัมปยุตสีดวงและวิจิกิกจฉาสัมปยุตหนึ่งดวงบาปอกุศลที่ พาไปส่วอบายเช่นโลภะที่นําไปตกนรกโทสะที่นําไปตกนรกโมหะที่เป็นเหตุแห่งนรกมานะที่พาไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะหรือความเศร้าหมองเหล่าใดาที่เกิดร่วมกับทิฏฐิสี่ดวงที่เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาที่เกิดร่วมกับโลภะโทสะโมหะมานะที่พาตกนรกเนี่ยนะกิเลสเหล่านั้นพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมกับการเห็นอริยสัจทีเดียวพร้อมกับการเห็นอริยสัจนี่เห็นอริยสัจนี่มันดีจริงๆเลย เห็นอริยสัตว์นี้เห็นว่ายังไงนี้ทุกส่วนมากนะเราไม่ค่อยเห็นวันนี้ทุกนะไอตอนที่บอกนี้มันทุกเนี่ยตอนนั้นเรากําลังเสียใจอยู่ไม่ใช่เห็นทุกนะตอนที่เสียใจแล้วบ่นว่าทุกทุกทุกกับตอนที่เห็นทุกคนละอย่างกันนะคนที่บ่นว่าทุกจะนึกว่าเห็นทุกที่ไหนได้ไม่ใช่มันถ้าใครเห็นบบนี้ทุกครนึกว่าตกนรกเนี่ยรู้ทุกชัดที่สุดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วในคำว่าเห็นทุกเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยทุกหรือไม่ทุก คนที่เห็นทุกจริงๆคนที่มีความสุขที่สุดคนที่นี้สมุไทยเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยถูกตันหาฉาบทานไหมอย่างเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบในโลกเนี่ยบอกนี้ทุกเอาคนที่กําลังตกทุกได้ยากพูดนี่แม่มันน่าจะสมจริงสมจังใช่ไหมนิสมุไทยโลภคนที่กําลังชอบอะไรสักอย่างก็พูดว่าเออนี้โลภอันนี้น่าจะบอกว่าจริงแต่ไม่ใช่กลับว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่นี้ทุกนิสมุไทยแล้วก็บอกว่า ที่จะรู้ทุกสมุทัยได้แท้จริงต่อเมื่อเห็นนิโรธคือพระนิพพานนั้นถ้าใครรู้จักทุกสมุทยัยจริงต้องหลีกออกจากทุกและสมุทยัยมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่ารู้จักทุกและสมุทัยจริ ง, ร ง, รงแต่ถ้ายังหลีกออกจากทุกและสมุทยัยไม่ได้ยังรู้ไม่พอฉะนั้นความสงสัยในอริยสัจถามว่าเมื่อไม่สงสัยในอริยสัจจะสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้บรรลุอริยสัจไหม ไม่สงสัยจะสงสัยในพระสงฆ์ที่เห็นอริยสัจใหมก็ไม่สงสัยภาษาลีบุตรนั้นพระ้าหั่นทั้งหลายเนี่ยนะท่านอยู่ระดับผ้าหั่นแล้วท่านไม่ได้สงสัยในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ได้สงสัยในอริยสัจไม่ได้สงสัยในเกี่ยวกับศิกขาอะไรเป็นต้นแต่ท่านไม่รู้บัญญัติไม่รู้อดีตพระปัญญาของท่านไม่ได้สว่างสวัยพอที่จะยังรู้อดีตไม่มีที่สิ้นสุด พอที่จะรู้อนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่ใช่จะรอบรู้ในสัพพะเยยธรรมทั้งมวลดุลพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่ไม่ใช่วิสัยของท่านท่านก็ต้องไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเถระเนี่ยนะประสงค์จะทูลถามพระพุทธเจ้าถึงคำพีพุทธวงศ์เราเรียนพุทธวงศ์มาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะคิดภาษาดีบทเพิ่งจะมาถามปัญหาคำพีพุทธวงศ์วังนั้นเพราะอะไรเพราะว่าพุทธวงศ์นั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น เรียว่าอะไรนะตระกูลใครคนที่อยู่ตระกูลนั้นแหละจะเล่าได้ดีกว่าเพื่อนเหมือนกันนะนะมิใช่วิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้ า, านะการประกาศพุทธวงศ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันถังกรเมธังกรสารนังกรทีปังกรโกนธัญะมังคละสมณนะเป็นต้นไล่มาจนถึงพระพุทธเจ้ากสปะเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยของคนอื่นแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่วิสัยของพระประเจกพระพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยของ พระสาวกทั้งหลายแม้แต่พระคารสาวกเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นเราจากักบรรเทาความสงสัยในพระพุทธวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะนะจะได้รู้พระพุทธวงศ์ว่าวงวงของพระพุทธเจ้ามาอย่างไรเนี่ยนะผู้ที่เป็นศาสดาของเราเนี่ยพระองค์มีวงของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์ทำอะไรมาเป็นตัวมาบ้างจึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า